ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนออาการกับยรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความหวังคือความหวังตามปกติของคนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสงหวังแต่พอเราจำแนกออกไปโดยพิสดารประสงควรเนี่ยจะเห็นว่า มันจะออกมาในสี่แนวแนวหนึ่งก็คือผิดหวังเลยแสองก็คือได้สักครึ่งสักกึ่งสามก็ได้สมตามที่ตนหวังและสี่ก็ได้เกินที่ตนเองหวังเอาไว้ประเภทที่สี่มันจะมีน้อย พวกผิดหวังเนี่ยจะเยอะตามปกติแล้วเราจะไปตั้งความหวังในเรื่องที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผล เ, เช่นการเล่นหวยเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความหวังที่ไม่มีเหตุมีผลหรือว่าการต้องการความร่ํารวยจากการพนันเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลนะหรือแมตอ้ต้องการให้เกิดเมตตามานิยมมาสเสน่ห์ เล่นฝังรูปฝังรอยใดแต่ๆต่างๆเนี่ยแล้วต้องการให้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเปตุงค่ำแเราก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวิชาการมันจะเรินมก้าวหน้ามาขนาดนี้แล้วความเชื่ออย่างอย่างเนี้ยยังมีอยู่ในหมู่คนระดับสามัญทั่วไปเราก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าระดับปัญญาชนไม่น่าเชื่อว่าจะมี แต่พอเป็นขาวเป็นคราวขึ้นมาเนี่ยล้วก็มีได้กึนแนตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งคือการที่คนเราจะรักจะชังกันเนี่ยมันอยู่ที่กิริยาปฏิกิริยาคือถ้าเราสร้างเหตุ แต่ผลมันก็เกิดตามทุกข์ขแกเหตุอย่างในกรณีนี้พระเจ้าทรงสอนที่เหตุให้เธอทำเหตุตรงนี้แล้วความหวังด้านต่างๆร ง, งเรียงกันไปเรื่อยๆนะมันมีลักษณะคล้ายๆกับสามัญญผลคือผลที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมณะคือเป็นนักบวชอย่างที่ทรงแสดงแกพระเจ้าอาชาติตรูในสามัญญผลสุดมันก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปโดยลาดับไป แต่ไมายความว่าเราเองก็ต้องปฏิบัติตนให้ประนีตขึ้นไปโดยลำดับด้วยพพข้อความสั้นๆด้รับสั่งแสดงเนี่ยเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์สมบูรณ์จงเป็นผู้สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจารย์เลโขจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษสักระเล็กน้อยสมาธานศึกษาสําเนียกในสิกขาบททั้งหลาย คือวิถีชีวิตนั้นดําเนินใช้คําว่าทั้งสมาทานนั้งศึกษาการศึกษากระหมายความวิชิตมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพราะคำว่าศึกษาในความหมายของพระพุทธศาสนาหมายถึงดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาสามคำนั้นนั่นเองนะถ้าอย่างอื่นไม่ได้ถือว่าเป็นการศึกษาวิจาการต่างโลกที่เรามีการศึกษากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านถือว่าเป็นศินลปะ เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพแต่ไม่ใช่เป็นหลักคำประ ก, กันว่าคุณจะเป็นคนดีแต่การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนากายวาจาใจของบุคคลให้กายวาจาสะอาดให้มีใจสงบมีใจสว่างขึ้นไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาจบการศึกษาก็คนโน้นนะฮะคือดับประวิชาเลย อย่างดับอวิชชาไม่ได้ถือว่ายังไม่จบการศึกษาแต่ของชาวโลกนี่ก็จบในชั้นต่างๆซึ่งแน่นอนในแง่ของสังคมในแง่ของการครองชีวิตคนก็ต้องมีการศึกษาอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างปัจจุบันก็ถือว่าจบขนาดอาชีวศึกษาปวชปวส ขึ้นไปนะจนถึงปัญหยัปรีถุเองก็ตามกำลังความสามารถแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีเปลียงแต่เพียงแต่ว่าเรามีการศาึกษาเรามีความรู้มีความเข้าใจสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้แต่ไม่แน่ว่าคุณจะสุดจริตหรือทุจริต เพราะตรงนั้นมันเป็นต้องกำกับด้วยศีลธรรมมันไม่ใช่กำกับโดวยวิชาความรู้ที่เราเรียนมาเวตอนี้ที่เราพูดถึงว่าความรู้คู่คุนธรรมหรือว่าเก่งดีมีความสุขคือยังไม่พบการอธิบายของนักการศึกษาไว้เก่งดีมีความสุขนี้คืออะไรอาศัยนยมมัยยะมาจากอะไรสาระถะจริงๆนี่มันอยู่ตรงไหนคือถามดรรุ่งสมัยก็เป็นเลขาธิการ อะไรล่ะการศึกษา่างชาติน่ก็ไปสัมนากับที่สามพานก็เขก็อธิบายยังไม่ชัดเจนแต่ยังยังยังไม่ได้ฟังใครชัดๆนะฮะว่าเขาหมายถึงอะไรก็อยากจะฟังอยู่เหมือนกันมันอาจจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเกิดมายังมองว่าเก่งเนี่ยมันคือปัญญา ดีนั่นคือบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขนี่คือใจที่อยู่ร่วมคนอื่นในความเป็นมิตระใจที่มีเมตตากรุณาคือถ้าอย่างนั้นมันก็สแสดงว่าเราเดินบนเส้นทางพุทธคุณก็เป็นการศึกษาที่ถูกต้องผลรวมของการศึกษานี่คือความสมบูรณ์พร้อมแห่งปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาเลยเมตตาไปนะเป็นกรุณาเลยมองสับปชีวิต อยู่ในห่วงของความทุกข์ในระดับต่างๆเป็นภารกิจของท่านที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเขาหมายถึงอะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็ทรงแสดงความหวังประการแรกว่าถ้าพิกสุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายเปิดดังนี้พิสูจนนั้นควรแต่ทาให้บริบูรณ์ในศีลคือพระเราในตามปกติมันเกียดกันที่ศีลบางครัง้งบางคราวท่านก็เป็นผู้ใหญ่มีฐานะมีสมศักดิ์แต่ก็มีปัญหาที่ตัวความประพฤติ เพื่อนสพรมจารีผู้มีเสียงศีนก็แหนงใจมาก็อยากใจเกี่ยวข้องเขาผาอะไรกันท่านเป็นเรื่องแปลกเป็นสังคมที่ค่อนข้างแปลกหรือเพื่อนฝูงจะรักใครสนิทสนมแม้แต่เป็นพี่เป็นน้องกันมาเนี่ยพอบวชแล้วเนี่ยมันจะมองกันที่ศีลกับทิฏฐิใครมีปัญหาที่ศีลกัใครมีปัญหาที่ทิฏฐิแล้วจะถูกเพื่อนสะพรจารียงเกีย เป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นญาติอะไรกันก็ตามเพราะว่าจะเน้นกันที่ตรงนี้มากเพราตัวนี้เป็นความคาดหวังแต่อย่าลืมว่าถ้าเคยมีปัญหาที่ความประพฤติหรือมีปัญหาที่ตัวความเห็นมันจะเป็นที่รังเกียจเป็นที่แหนงใจของคนทั้งหลาย นะบางสำนักจะมีฐานะบางครั้งรำ่ำรวยเยอะมีเงินมีทองเยอะแต่ว่าเพื่อนแหน่งใจในเรื่องทิฏฐิในเรื่องศีลคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะกรรมใดใครโก้คนนั้นก็รับกรรมกันไปแต่ว่าไปกล่าวอะไรเขาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าเป็นลักษณะการถือรั้นไปแล้ว เป็นพวกที่เรียกว่าอีด้าไม่ว่าสัจจังโมฆะบัรยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแต่ไปเล่นอย่างนั้นแล้วก็จบละก็รับสั่งว่าพิสุนั้นควรกระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรำเครื่องระ ง, งับจิตของตนอย่างเบาๆนี่คือคมจิตโดยเจนว่ามีเมตตามีขันติ บัญทีทรงใช้ตรงนี้ฮะขันติโกเมตตวาลาพีเนี่ยมีขันติมีเมตตายศ ส, สจีจะเจริญด้วยยศสุขศีจเจริญด้วยความสุขแล้วก็จะเป็นทิรักปโยเดวามนุษยานังเป็นทิรักของเทวดามนุษย์ทั้งหลายแม้พรมเองก็จะสรรเสริญเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยถ้าเรามีฐานจิตที่เมตตาสูงเนี่ย คือขันติก็จะสูงเองก็จะเกิดขึ้นโด ย, โดยธรรมชาติข่าวเป็นการอดทนบางทีก็โดยไม่ต้องอดทนเพราะว่าอนุภาคของเมตตาเนี่ยมันจะเป็นพลังสลายกิริยาการที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลนั้นมันคล้ายๆกับ น, น้ำที่ในสระซึ่งสะอาดแล้วก็คนก็เทคโครนลงไปเป็นปิ๊บๆเนี่ยมันก็สลายหมด ยิ่งน้ำไหลด้วยแล้วก็ยิ่งสลายอย่าไวเลยเพราะะนั้นทรงทรงทรงชาคำสองคำขันติโกเมตตาสองคำคือขันคันติกับเมตตาทีนี้ทำเครื่องระงับจิตเนี่ยมันจะต้องไม่แสดงถึงอาการของโลภอาการของโทสะหรือการของโมหะคือพระเราจะเคารพนับถือกันตรงนี้ การแสดงออกมาซึ่งความสงบระงับของกิเลสมันไม่ใช่เกี่ยวกราดเนี่ยวโวยวานโวยวายวาขู่ตะคอกดุหรืบางครั้งบางคราวเรายกย่องชื่นชมโอ้ไม่ได้ท่านรูปนี้ท่านดุนะดีไม่ดีก็โดนเลยมันไม่ใช่คนควรแก่การยกย่องมันไม่ใช่วิถีของสรรมนะัมมาณะ คือสมณะมันต้องแสดงออกมาซึ่งความสงบสันตะกายโยกายสงบสันตะวโจโววจีสงบจนถึงสันตามโนใจมันสงบเราก็สงบไม่ได้เต็มที่หรอกแต่ว่าต้องออกข่มใจได้ยังแนวของคารวะเสธรรมไม่ลองสังเกตนะพระเจ้าจ ะ, จะเน้นทั้งธรรมะแล้วกับขันติเพราะในแวดวงของคารวะาเนี่ยจะต้องอดกั้นอดอ ด, อดทนต่ออารมณ์เยอะเลย โอกาสกระทบกระทั่งกันนี้จะมือเยอะมากคือสังคมพระตามปกติแล้วอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอนิถารมณ์เนี่ยคนมาด่าพออะไรต่างๆไม่ก็เจอเลยเพราะเป็นสังคมที่เป็นสังคมผู้มีสีนะ่ะอารมณ์เหล่านี้มันเกิดยากทีนี้อารมณ์ยั่วยวนโอกาสต่างๆเราก็ไม่เคเจอนะพอเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไปอยู่เอกเทศออกไป แต่ชาวบ้านเนี่ยมันต้องมีทั้งธรรมะคือฝึกปือตัวเองแล้วห้ามใจห้ามความคิดข้างในนะกันติเนี่ยหมายความมาแรงกระแทกจากข้างนอกธมะเป็นการขม่มกิเลสที่เกิดขึ้นภายในแกเบรกตัวเองได้ก็หยุดตัวเองได้ทีนี้ก็ขยับไปอีกอีกชั้นหนึ่งเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ไม่ทำชาในเหินห่าง หมายความว่ า, าชานี่มีสองระดับนะระดับเพศก็คือเขาเรียกอารามณนุปนิสสารกับรักขณูปนิสสารหมายความว่าเราทําจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเช่นสมมุติว่าเจริญพุทธานุสติจิตสงบอยู่ในพุทธานุสติเขาเรียกอารามณนุปนิสสารหือเพ่งอารมณ์หรือว่ายกขันธาตุอะไรขึ้นมาทุกอย่างหนึ่งมาพิจารณาในแนวขันห้า ใช้ปัญญานำกรใช้สตินำนะฮะ น, นี้เขาเรียกว่าลักขณูปนิชานเป็นตัวเหตุทีนี้ในส่วนผลเนี่ยเป็นการจางไปกลายไปบันเทาไประดับนิวรณนะกับระดับตัณหามานาัธิติซึ่งโดยที่จริงก็เป็นพวกเดียวกันเป็นพวกกิเลสด้วยกันนฮะเอาขั้นแรกนะเนี่ย เอาขนาดความหวังขั้นแรกเนะี่ยแล้วก็ประกอบด้วยวิปั ส, สนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศเกื้อ ใ, ใจมันนึกถึงถึงใตรักนะแม้แต่เนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพลาดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาเนี่ย คิดไปเรื่อยๆอดูข่าวดูคราวอ่านหนังสือพิมพ์อะไรแต่ไรคิดในเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆเป็นการลดความเข้มข้นของตัณหามาณทิฐิลงไปจะยกตัวอย่างเนี่ยเช่นว่าการอยากเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าจริงนี่เราก็ก็เป็นอยู่แล้ว โดยสถานะที่เราเป็นเนี่ยเราก็ทำอะไรได้เยอะเราก็มีงานการที่เรายังไม่สามารถทำได้หมดมีอยู่เยอะไม่ยังเป็นพระสมมติว่าไม่ต้องเป็น้าคุณอะไรหรอกนะฮะคือคือเป็นพระองค์หนึ่งเนี่ยภารกิจที่เราจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติจนได้สัมผัสผลและจะต้องเผยแผ่จะต้องดูแลรักษาพระศาสนาเนี่โอ้มันมันมันเยอะมาก ชีวิตหนึ่งเนี่ยทำไม่ไหวเพรเพียงการบวชซึ่งมันเกิดมาเขาเรียกว่าภายใต้พระปรมาภิไธยของพระพุทธเจ้านะฮะในการบวชเนี่ยมันเป็นการบวชภายใต้พระปรมาภิไธยของพุทธเจ้าเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยพุทธานุญาตสรงมอบมาให้สงฆ์ทำแทนพระองค์ ก็เหมือนกับบวชในสำนักของพระองค์เป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ธรรมดานะเกิดตำแหน่งความเป็นพระนี่ได้จริงเป็นเป็นตำแหน่งที่เราได้จากพระโอษฐ์ของเราพระเจ้าคกอเป็นเรื่องที่ควรแก่การภากภูมิควรแก่การยินดีพอใจในสถานะที่เราเป็นแล้็พยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบกพัฒนาไปเนี่ยเราสังเกตว่า เอาเฉพาะความหวังแรกแต่นั้นเองตั้งเป้าไว้ไปเลยนะฮะทางทางระดับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเลทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้มันก็กลับมาที่เดิมว่ า, าพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายทีนี้ตีต่างว่า เราทำไปแล้วท่านมายกย่องอ้ น, นี้ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งคือเราจะได้ยินได้ฟังบอ่อยๆมีคำพูดในลักษณะที่เรียกว่าอพระอย่างนี้เราไม่ไหวนะไม่อยากทำบุญแล้วเดี๋ยวนี้จะนับถือเฉพาะพระพูดกับพระธรรมแล้วอะไรแต่อะไรต่างๆนี้นะคือแสดงวเราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องกรรมเรื่องศาสนา ภารกิจของของใครก็ตามที่ทำตามความหวังที่หนึ่งเนี่ยมันจบละตัวเองลราช่วประพฤติดีไปได้ถึงจนถึงระดับฌานระดับวิปัสสนาแล้วทีนี้คนอื่นเขาจะรักจะชอบใจเป็นที่เคารพยกย่องหรือไม่เนี่ยมันอยู่ของเขาอยู่ที่เขาหรือถ้าเขาแสดงเขาก็ได้คารวตาคือความเคารพได้มุจิตาคือปล่อยชื่นชมยินดี นะเป็นอนุโมทนาเป็นเป็นการบัตรธรรมของเขาไม่ได้เพิ่มลดให้คนอื่นนะฮะว่าคนที่คนเคารพทับถือเยอะมันก็ไม่ได้เพิ่มความดีอะไรแก่ท่านแต่ท่านจะเพิ่มความดีท่านก็ต้องทำมาท่านเองไม่ใช่อยู่ที่เราจะต้องเคารพหรือไม่เคารพถ้าเราเคารพเราก็ทำบุญของเราถ้าเราไม่เคารพมันก็เรื่องของเรา ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคใครใกล้ๆกันเรื่องความเชื่อเนี่ยความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์คือบางคนให้ความต้องการแก่กตัวเองมากเหลือเกินเรื่องนี้ผมไม่เชื่อมันไม่ใช่ประเด็นน่ะคือไม่อยู่ที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่มันมีหรือไม่มีคนไม่เชื่อทั้งหมดในโลกถ้าเขามีเขาก็มีคนเชื่อว่ามีทั้งหมดในโลกถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่มี เพ่คนความเชื่อของคนหรือไม่เชื่อของคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเชื่อเนี่ยมันจะเป็นเดชแด้คนลักชั่วประพฤติดีอย่างน้อยเราก็เป็นคนดีก็ได้พูดดีได้ทดําดีได้คิดดีเราก็มีความสุขอยู่ในโลกอยู่ในสังคมโดยไม่มีเวรนไม่มีภัยอะไรกลไใครๆตายไปแล้วมีนรกสวรรค์หรือไม่มันก็ไม่เกี่ยว แต่ถ้ามีนรกสวรรค์เราก็บังเกิดในสวรรค์มันเกิดในสวรรค์มัน ก, ก็เป็นทุกข์นะเป็นชาติปีนุกขากระชาติความเกิดเป็นทุกข์แต่มันทุกน้อยกว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแล้วก็ยังต้องทุกข์ในสังสารวัฏเพราประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ควรทําความเข้าใจเพราะเราจะเจอปัญหาในลักษณะนี้ลักษณะก้าวร้าวอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะมาก โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งไปบรรยายต่างจังหวัดไปเจอกับพวกครูบาอาจารย์ถามปัญหาในโอแรงนะฮะดุเดือดมากเลยยังสงสัย้ครูนี่ยทำไมปัญหาก็ก้าวร้าวมากยังไม่เข้าใจชอบด่าพระกับตรวจเนี่ยมีทุกขังนะฮะพระกับตำรวจเนี่ยถูกด่าทุกขังเลยเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแล้วไม่ใช่วันสองวันนะคือต่อปัญหามันนานแล สามสิบ ป, ปีเจอปัญหาในแนนี้อยูเอ่เยอะเพราะมันโครงสร้างการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นการมองจากข้างนอกคือมองเจ้าปรมสั่งสอนคนอื่นแนะนำคนอื่นมีท่านผู้หนึ่งท่านผ่านการมีพัญญามาสามคนแล้วก็เลิกกันหมด แต่ต่อมาจะมีอีกหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะคือก็รู้ตอนตอนนั้นเนี่ยเขเลิกหมดคนหนึ่งเป็นพยาบาลคนหนึ่งเป็นแม่ค้าคนหนึ่งเป็นครูเลิกหมดถามมันทําไมเลิอกอะ่ะแต่บอกว่าคนเป็นแม่ค้าเนี่ยมันยุ้มหยิมเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นครูนี่สอนด้วยเลยเป็นพยาบาลก็จะพูดแต่เรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรแต่อะไรมันมันเครียด เลยออกเลยอันนี้คือคือการมองไปตรวจสอบข้างนอกคือวิธีการของพุทธมันตรวจสอบข้างในพอเจอการตรวจสอบข้างนอกเข้ามาเนี่ยบางครั้งบางคราวมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเช่นวันก่อนได้มีพระใหม่รูปหนึ่งท่านโทรมานอกรายการต่อปัญหาวันจันทร์เนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเป็นพระใหม่นะขอให้ ท่านจะคุณช่วยอธิบายเรื่องใจสิกขาคือที่ชาบ้านถามปัญหาเรื่องศีพลพระเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ปฏิบัติต้องถามทําไมอะถามได้เรื่องนี้ก็ปฏิบททัติเิงหรือก็บอกท่านบอกว่าเราก็มีจิตไปห้ามก็ถามนะฮะมันก็ถามมาเราก็ตอบไปแต่ว่าความเข้าใจของพระโนรวการุณนั้นถูกต้องคือว่าคุณไม่ปฏิบัติเนี่ย แล้วคุณถามไปแล้วคุณก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพระที่ตอบเนี่ยก็ไม่ร่วมหมายถึงพระที่ไหนแล้วพระนั้นท่านจะฟังอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ปัญญางงนเรื่องเรื่องการศึกษาตรงนี้เป็นการตรวจสอบตัวเองว่าไอความหวังที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคุณต้องสร้างเหตุอย่างนี้ ในข้อที่สองรับสั่งว่าถ้าพิษูจจะพึงหวังว่าขอเราพึงได้ปัจเจศีนะพูดง่างปัจเจศีพิสูจนนั้นควรทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบเครื่องระ ง, งับกิจนเป็นไปในภายในคือตั้งสติดูที่จิต ด, ดูที่จิต ด, ดูจิตภายในคือไม่ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องถึงก็นั่งสมาธิเสมอไปนะ คือเราก็อยู่วิญญาบุทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติสัมจัยยะเวลากิเลสมันเกิดก็ข่มจิตเวลาธรรมะมันเกิดก็รักษาจิตเอาไว้วได้จังหวะได้โอกาสจนถึงก็ไปเจริญกรรมฐานก็ว่าไปก็ดีไปแต่ว่าไม่ใช่ถึงก็นั่งสมาธิอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอก ตัวการสำคัญว่ามีธรรมะอยู่ภายในจิตในอิทธิบาททั้งหลายเนี่ยอิทธิบาทอะไรก็ได้แล้วไม่ทำชาในเหินห่างคืออย่างที่บอกว่าอารมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ที่ทำตั้งสติเป็นหลักอยู่ยังมีสติกับปัญญาเนี่ยเป็นหลักพาถึงระดับเป็นสมถะกรม ร, ะกรมฐานนิพพานกรรมฐานได้ก็ดีแต่ไม่ ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ใช้สติสามปัญญานี่เป็นหลักเพิ่มพึงการอยู่ในสุนยาขาน<ช>อันนี้คือเน้นสถานที่นะสถานที่ที่สงบคือว่าก็ตามความจริงเนี่ยโบราณเนี่ยท่านสร้างวัดมันคล้อยตามนะ่ท่านเรียกอารามเป็นสถานที่ที่ทำจิตใจให้รื่นรม แม้แต่วัดรบวรในเวทผิหาเนี่ยถ้าเราดูประวัติความเป็นมาในการสร้างวัดนี่ยอยู่ที่นอกเมืองนะอยู่ไกลพระราชวังเลยทุ่งประเมนมาตั้งเยอะเลยไม่มีบ้านคนน่ะแล้วบ้านคนคอ่อยล้อมข้าวล้อมข้าวล้อมข้าวล้อมข้าวตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีภายในวัดมาเองเป็นวัดบ่อย หมอสมพลก็บอกท่านยูคุณไปนอนต่างจังหวัดสองสาคืนก็หายเพราะบรรยากาศสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่จริงที่จริงแล้วถ้าเราดูว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยมันคล้ายๆกับไข้ทหารเนี่ยคือเขาก็นหลีกหนีประชาชนไปไกลเลยอย่างนี้กองทัพอากาศยไปอยู่น่นไปอยู่ทึงดอนเมืองเมืองไปล้อมไวเอง แล้วก็บ่นว่าทหารอยู่ในเมืองคือไม่ใช่คือทหารนี่ก็อยู่นอกเมืองเราไปล้อมเขาเหมือนกับวัดอย่างเงี้ยพระราชาวิวาสเนี่ยจริงเป็นวัดป่านะอรัญญวาสีวัดเทวรากุณชรเ น, นี่ยอรัญญวาสีนะฮะวัดป่าเลยตะวันก็เมืองก็ล้อมหมดฝนสุญยากาศเนี่ยมันเด้นไปที่ความสงบ ทีนี้บางทีเนี่ยก็ทำยากทํายากมันก็ต้องหาโอกาสให้ซสงกไปได้อยในปัจจุบันในความจําเป็นความจำเป็นไม่เกิดขึ้นเห็นไหมจาเป็นจะต้องอยู่ในห้องปรับอากาศเพราะอะไรเพราะมีงานเป็นนันมากที่เราต้องทําที่เกี่ยวกับรายการเนี่ยทางวิทยุทางอะไรต่างๆมันต้องไม่มีเสียงแต่เราบิวที่ไหนมันก็ต้องสร้างห้องขึ้นมาให้เป็นสุญญากาศ สุญญากาศแปลว่าเรือนว่างนะฮะเกิดเน้นไปที่สงบจากเสียงรบกวนเพื้อยกายวาจาเนี่ยมันสงบตามไปและเน้นไปที่ใจสงบตามนะะเน้นปที่ใจสงบตามประการต่อไปก็รับสั่งว่าถ้าพิสูจน์จะพึงหวังว่าเราบริโภคจีวรบิดาบาเสนาสนะและกีฬานาปฏิยปิษสัตของเทวดาและมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่านั้นก็เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนก็กลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เดิมเหตุเหตุเดิมคือหมายความว่ากระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมเครื่องสงบระงับจิตของตนหมายความสงบกายวาจาด้วยศีลพูดง่ายๆว่าอะไรล่ะ สัพ ป, ปาปะภาษากระนังนะฮะไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงทำกุศลให้สมบูรณ์นำจิตให้ผองแผ้วอ่ะเพียงแต่ว่าต่างกัได้วยภาษาที่ทรงใช้แล้วก็รับสั่งว่าไม่ทำชาในเหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูลศสุนยาขาดตรงนี้เป็นการแสดงว่าคำว่าปุญญเกตตังโลกัสะเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ย คันสืบเนื่องมาจากพระผู้นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติทรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือสี่อย่างเนี้ยเป็นภารกิจที่พระจะต้องปฏิบัติทีนี้เมื่อปฏิบัติในสถานะของท่านเนี่ยมันจะเป็นผู้ควรของคำำําน้ำปูควรต้อนรับควรทําบุญควรทําอัญเชิญเพราะว่าสถานะของท่านไปอยู่ที่เป็นบุญยเขตคือเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าอย่าลืมว่า แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยไอ้สักการะคารบเครื่องอาหารทั้งหลายนี่เทวดาก็ถวายนะครเทวดาถวายอาหารเนี่ยประสบการณ์ของพระอาจารย์ที่อยู่ป่าเคยอยู่ป่าอยู่ทุดงอยู่นานๆเนี่ยจะเจอประสบการณ์ในแนวนี้แต่ก่อนในสมัยพุทธกาลก็มีนะครมีโดยเฉพาะเท้าสกะแอะไรต่าตงๆเทวดาที่มาทำบุญตัก บ, บาท มันก็จะมีผลเมียในสงมากมหมายความว่าเป็นพืชชนิดดีที่หวานปลูกลงไปในดินที่ดีนะฮะก็จะเริญเติบโตได้เร็วเป็นการนุเคราะห์โลกมหมายความ่าคนปฏิบัติ ด, ดีไปประทรงปฏิบัติปตตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยเป็นการนุเคราะห์ต่อชะโลกคือทาให้ทานที่ชาวบ้านเขาบริจาคถวายเนี่ยมีผลเมียในสงมาก เป็นอะไรเป็นทักกินาทักกินาวิสุทธิ์สี่นะคือคือทักกินาการการทำบุญอุทิศเนี่ยมันจะมีอยู่สี่อย่างอย่างหนึ่งเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายระดับท่านเน้นไม่สูงเน้นที่ศีลกับการยานธรรมหมายความว่าผู้รับมีศีลมีกรยานธรรมท่านไม่พูดถึงพระยาชาวบ้านนะฮะท่านเรียกว่าทายกกับปฏิคา6ก ทายกก็คือผู้ทํากิริยาให้ปฏิคาหกก็คือผู้ทํากิริยารับในแต่ละขณะทีนี้การที่เรามาเน้นไปที่พระสงฆ์เพราะว่าคุณสมบัติคือสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนเนี่ยมันมีการเน้นที่คุณสมบัติของพระสงฆ์ก็ทําให้พระสงฆ์เป็นทักกินยบุคคล ปกคนไม่ทำบุญมันก็เกิดผลเกิดอานิสงค์ขึ้นมาในลักษณะต่างๆแล่ตามปกติคนเหล่านั้นก็สัมผัสแต่มาเคยเจอโยมคนหนึ่งนานมาแล้วจากคนจนๆฐานะยากจนแล้วก็ได้ฝันว่าพระพุทธรูปขอให้ไปบูรณะวิหารให้ท่านพระวิปุหลนตกรถท่าน แล้วท่านก็ขายสร้อยขายแหวนอะไรต่คนจนไปทําให้เรียบร้อยอ่ะตอนมาท่านทํามาค้าขายมันรวยจนตอนที่เจอท่านเนี่ยท่านกำลังจะสร้างเกียรติทำมโยมไม่กลัวไม่กลัวจะจนนะเดี๋ยวผมไม่ต้องกลัวท่านมานมาให้จ่ายเองแต่ก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดมากนะเพราะรู้ข่าวรู้ข่าวมาก่อนพอนี้ไปเจอกันเราลองสอบถามดู แล้วก่อนในเจอโยมคนหนึ่งตีกล้าบางลาพูเนี่ยก็ตักบาตรเยอะมากถ้ามยนตักอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่กลัวมีปัญหาเรื่องเงินเหรอกแบอกไม่ต้องกลัวหรอกท่านมันมีให้ทําบุญอยู่ได้ได้ตลอ ด, ดะอะก็เชื่อมัน่นเขาอย่างนี้แล้วเขาตักมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาใหญ่เอันนี้คือคือสัมผัสตรงส่วนตัวของคนเหล่านั้นถึงก็หมายความว่าผู้รับเนี่ย ผู้รับก็อยู่ในศีในกัลยาณธรรมทีนี้บางคนเนี่ยผู้รับอยู่ในสีในกัลยาณธรรมแต่ผู้ให้เนี่ยไม่อยู่ในศีไม่ไม่อยู่ในกัลยาณธรรมเรียกว่าทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆา6คือผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายถายกคือผู้ให้แต่บางอย่างเนี่ยผู้ให้เนี่ยอยู่ในศีในกัลยาณธรรมแต่ผู้รับไม่อยู่ในศีไม่อยู่ในกัลยาณธรรมมันก็เกิดว่าบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ ทนี้จะเกิดผลในนี้ทรงเน้นไปที่สองอย่างหมายความมาผู้ให้เองก็อยู่ในศีลในกัลยาณธรรมผู้รับเองก็อยู่ในศีลในกัลยาณธรรมคือแทนที่จะเป็นฐานอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นด้วยแต่เช่นว่ามันเป็นศีลด้วยมันเป็นสมาธิด้วยมันเป็นปัญญาด้วยมันเป็นฐานด้วยก็ทาให้ปริมาณของกุศลมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เกื้อกูลทั้ง ผู้ให้และผู้รับประการต่อไปเนี่ยเป็นความหวังที่สี่ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าญาติและสาโลหิตของเราเหล่าใดล่วงรับทำการรไปแล้วมีจิตใจเลื่อมใสลึกถึงอยู่การลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีพภารนิสง์มากเถิดดังนี้ ถเหล่านั้นก็ต้องมีคนสมบัติดังกล่าวหมายความมาญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วแล้วเกิดระลึกถึงขึ้นมาเมื่อเกิดบุญขึ้นมาบุญเป็น บ, บุญอะไรบุญเป็นสังขารนุสติอาจจะระลึกถึงการเคยธนุบำรุงภิกษุที่อยู่ในศีลในธรรมก็เป็นจางขารนัสติก็แล้วแต่ระลึกในฐานะอะไรก็ตามแล้วก็เกิดเป็นผลบุญเป็นอนิสงค์ขึ้นมา คุณสบัดเหมือนเดิมนะใช้คุณสบัดเดิมพระพิสุนันั้นควรกระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําฌาณในเห็นห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุ ญ, ญาคานให้ลองสังเกตสรุปแล้วว่าพระอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจติกขาพูดง่ายอย่างนั้นจับประเด็นง่ายๆว่าวพระดํารงมั่นคงอยู่ในใจสิขาไม่ใช่พระอย่างเดียวนะโยมด้วยนะั่นแหะ ผู้รับไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวหมายถึงใครก็ได้ที่เป็นคนดีก็มันระบบศาสนาพุทธเนี่ยเป็นระบบของคุณธรรมมันไม่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งแต่ว่าเราพูดบางทีเนี่ยพูดไปจนเป็นตำแหน่งไปคล้ายๆกับปฏิคาหกคือภิกษุสายยกคือโยมมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วมันขัดกับธรรมะอี ก, อ ก, อกเป็นนันมากเลยเช่นอไรเช่นหลักสังฆหะพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายชาวบ้านเนี่ยสงเคราะห์พวกเธอด้วยจตุ ป, ปัจจีสเธอต้องสงเคราะห์เขาด้วยธรรมะและในขณะเดียวกันก็มียาตการ น, านันยาสังฆโหการสงเคราะห์ญาติเป็นอุดมมงคลแล้วก็ในพีกรรมเนี่ยมียาติพรี การสงเคราะห์ญาติแล้วในขณะเดียวกันก็มีการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นรมูมงคลเพราะฉะนมันมั น, ม, น, ม, นมันอยู่ชิกเจตนาในการกระทำมไม่ใช่เป็นตำแหน่งพอเราพูดเป็นตำแหน่งเนี่ยดูแล้วมันคล้ๆกับหินแกตัวนะฮะแล้วก็พูดโดยไม่ก เ, เกรงใจก็คือบิดเบือนพระสัทธธรรม เพราะพระธรรมไม่ได้พูดตําแหน่งแล้วลองสังเกตในทิศหกเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทิศหกข้อชาวบ้านที่ว่ามันถึงข้อหนึ่งที่ว่าสมเคราะห์ชาวบ้านในน้ําใจอันงามบางครั้งมันเป็นธรรมะบางครั้งมันเป็นวัตถุสิ่งของบางครั้งมันเป็นที่อยู่อาศัยบางครั้งมันเป็นเสื้อผ้าบางครั้งเป็นยาแก้ไข่กันแล้วแต่เพราะถ้าเราดูพุทธจริยา เรียกว่าพระพุทธเจ้านำธรรมพระสงฆ์นำธรรมพระอริยสงฆ์ท่านนำธรรมเราก็เห็นว่าท่านท่านก็ทําหน้าที่ที่เรียกว่าสงเคราะห์ด้วยน้ำใจองามบางครั้งคนมาฟังเทศในสํานักพระพุทธเจ้าต้องการจะฟังเทศพระเจ้าทรงรู้ด้วยปัญญาแล้วเขายังหิวกรับสร้างให้จัดอาหารให้เขากินด้วยก่อน แล้วเคยมาแขวงเทศที่หลังเป็นการในับิในรูปของกาลยานมิตรยังมีความคิดนี่ยว่าในภาวะบิกฤตน้ำมันอย่างเงี้ยมหาเถรสมาคมน่าจะประกาศให้วัดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงเวลาทำวัดแทนที่จะเป็นทำวัดเช้าค่ำเนี่ยเป็นทำวัดเช้าเย็น เช้าบางคู่กับเย็นไม่จะเช้าบม่ใช่คู่กับคำ่ำธรรมตจะตอนห้าโมงเย็นตอนพรเพยก็จบละไม่ต้องเปิดไฟอย่างดีก็จุดเทียนดล้ ง, งานศพทั้งหลายเนี่ยสวดอภิธรรมศพเนี่ยแทนที่จะสวดต้องทุม่มหรือว่าหกโมงครึ่งเนี่ยสวดใช้ตอนหกตีห้าห้าโมงเย็นสิบเจ็ดกา ก่อนสิบแปดก็จบหมดแล้วตะโกนก็กลับบ้านอันนี้มันจะช่วยประหยัดพลังงานของชาติมหาศาลก็ตั้งใจไว้ว่าอาจจะทำหนังสือไปในนามเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพุทธศสาสนาแห่งประเทศไทยส่งมาที่สานักพุทธนะฮะแต่เขาว่ายุ่งกหรือเปล่กาก็ไม่รู้เหมือนกัน คือมันเรื่องน่าคิดตั้งนานนอันนี้คือคือวางตัวเป็นกัลยาณมิตรอย่าอยู่ให้ห่างพระพุทธบริษัทเราไม่ควรจะอยู่ห่างกันเว้นเะระยะพอสมควรแต่อย่าถึงก็ใกล้ชิดกันมากเกินไปก็ไม่ดีเรียกคุกคลีมากเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ห่างเกินไปก็ไม่ดี เป็นการบัตรธรรมะคือกูลต่อกันพระทรรมตัวอย่างเนี้ยในตรงนี้พระพุทธเจ้าส่งเน้นที่พิกษุพระทรงแสดงแก่พิกษุแต่อย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสากลไม่ใช่เจาะจงภิกษุแล้วความหวังที่หก บอกว่าถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความไม่ยินดีและความยินดีได้อันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดียันเกิดขึ้นแล้วให้อยู่เติดได้อยู่เติดดังนี้ภิกษุนั้นก็เหมือนเดิมใช้คุณสมบัติเดิมทีนี้ตรงนี้ก็คือว่า เป็นการฝึกจิตระดับอินทรีย์สังวรแต่ว่ามันก็เน้นไปจนถึงเขาเรียกว่ากรรกับวิตกพิจารณาแล้วบันเทาพิจารณาแล้วบันเทาวิตกที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันอารมณ์มันกระทบมาจากข้างนอกแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายคือไม่ให้เกิดกิเลสรักษ า, าจิตเอาไว้ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์เหล่านั้น แตคุณสบัดชุดเดิมเหมือนเดิมว่าพิสูจนนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมเครื่องระงับจิตเป็นไปในภายในทำฌานให้ไม่ทำฌานในเขือนห่างประกอบ้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญากาศก็สรุปธรรมชุดเนี้ยมันจะเกิดความหวังขึ้นมาในชั้นต่างๆแล้วก็เป็น เป็นอัตตะคุณคือคุณส่วนตนเป็นปริหิตตะคุณคือคุณที่เกื้อกูลต่บุคคลอื่นเพราะในสังกคุณก็ดีพุทธคุณก็ดีลองสังเกตพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลนะฮะพระสงฆ์เป็นบุคคลเพราะพระเจ้าก็มีพระคุณส่วนพระองค์ก็คือพระปัญญากับบริสุทธิ์เนี่ยเป็นอัตตะคุณแต่กรุณานี่เป็นปริหิตตะคุณผลประสงค์ในการบิวัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร เป็นอัตคุณคือคุณส่วนตัวแล้วคุณส่วนตัวตรงนี้ไม่ใช่เจาะจงพระสงค์เจาะจงคนทุกคนน่ะคนเราจะต้องไปบัต ด, ดีตามทุกควรแก่ฐานะปฏิบัติตรงตามทุกควรแก่ฐานะปฏิบัติเป็นธรรมสมควรแก่ฐานะปฏิบัตสิสมควรเป็นนายเหนือความโลภซะบ้างคือปัญหาข่าวคราวเนี่ย ที่พูดถึงการช่อฉนการรคอรับชั้นการอะไรล่ะผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่าร่มากมายภาษาใหม่ๆได้เกิดขึ้นเนี่ยคือบางทีนี่เราอาจจะตัดสินไปก่อนแต่ว่าคนเหล่านั้นเองก็ต้องสำรวมระวังมีคนร่วงจ้องตรวจสอบอยู่หมายความมาทมต้องให้เป็นประโยชน์คือคือเป็นบุญ เป็นบุญสมหรับตัวเองอ่ะปฏิบัติงานราชการงานอะไรก็ตามให้เป็นบุญสำหรับตัวเองและเป็นคุณสำหรับบ้านเมืองเที่ยวเป็นบุญเป็นคุณพ้นความหวังเหล่านี้แต่และข้อแต่และข้อเนี่ยลองสังเกตว่าทรงสอนให้พระเนี่ยมีฐานความดีอยู่ที่ตัวเองและฐานความดีในตัวท่านนั่นแหละก็าะจะไปเกื้อกูลตะบุคคลอื่นซึ่ง ถ้าเรากล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็คือการไปสงเคราะห์ชาวบ้านโดยอภิมิตบ้างโดยทาบ้างโดยการสอนในรู้บ้างโดยการทำให้ดูบ้างโดยการอยู่ให้เห็นบ้างโดยการเย็นให้เขาสัมผัสบ้างก็แล้วแต่แต่อย่าคิดว่าเป็นการสอนจาะ พ, พระ พระพุทธเจ้าเวลาส่งแสดงธรรมะในส่วนใหญ่จะขึ้นคำว่าพิกกเวเพราะว่าโดยโครงสร้างของสังคมเนี่ยถ้ารู้จ้าประทับที่ประเชตวันคนชาวบ้านไปเฝ้าตอนเย็นพระก็นั่งฟังอยู่ด้วยและพระก็อยู่ข้างหน้าและโยมก็จะอยู่ต่อไปจากพระก็คค่แคๆในโบสถ์แล้วเวลาขึ้น ขึ้ถึงก็ขึ้นภิกษุทั้งหลายแต่คำภิกษุทั้งหลายนี่หมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายด้วยคือครอบครุมเรื่องโยมด้วยเพราะว่าเทศศร์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เทศศรเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นผลอาการขยสูตรกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือทรงเน้นไปที่การดําเนินชีวิตไปตามอริยมรรคแล้วผลก็จะเกิดขึ้นในระดับต่างๆก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะตามลําดับก็ สิบกว่าข้อด้วยกันออกวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี